bhodassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa buddhasa svākhāto bhagavata dhammo dì kimassa dhammakariyayassa sattho sādhāyasmantehi sa ต่อไปนี้สันทั้งหลายชุดภาคันสำใจแค่ทําบำพิน คือปฏิบัติปฏิบัติให้ปรากฏเกิดมีเกิดเป็นขึ้นภายในจิตใจของเรามีเกิด ปรากฏของเราได้แล้วย่อมจะเป็นที่พึ่งในจิตและก็จะเป็น อุบายเครื่องกําจัดกัดเป้าอารมณ์หรือธรรมรมที่เป็น ของเราให้สงบของเราได้ดับเตชะจิต ลงไปได้ไปของธรรมะปรากฏเกิดขึ้นในจิตเกิดขึ้นดับลงไปจิต นอกแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องแล้วไม่มีได้และ ไม่มีอะไรส่วนการดับหรือกําจัดสิ่ง บริสุทธ์สาธะปรุงเป็นจนนั้นของกายวาจากับการ ธรรมะให้เป็นจนนี้ภายในซึ่ง Bên xin băng, bên tham mạ băng Âu mạ cuộc khủng lạc xà Trên vắng xin Bên trôn Mưa xin đầy tăng khinh Nay dịch, nay chạy แล้วทำหน้าที่ของการ บาปน้อยบาปมากบรรดามีอยู่ในกายของน้อย ก็กำจัดความชั่วได้น้อยถ้า ทางหยาบและปราณีตใจมักขึ้นเพราะฉึง ไม่ไม่เหมือนกับการจะยากนักไม่ ได้แก่ความที่มีอยู่ในจิตใจของเราสึกนึกคิด ราคะเหล่านี้เป็นชนโมหะจะเกิดขึ้นนี้คือผู้รู้ของเราเท่านั้นต้น กายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราวาจาแล้วก็ฉะนั้นถ้า เมื่อใดใดจิตใจของเราก็ มีทั้งเย็นสุขสบายระงับและมี สิ่งดับลงไปจะมีอยู่ รู้เห็นความสุขกันเกิดขึ้นจากการอันเกิด ปราศจากโทษข้าจะเปรียบเหมือนกับ งานแต่ที่จะทําให้เรา ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาภายในจิตใจความสุขขึ้นมาภาย เพื่อแสวงเป็นและมีขึ้นในจิตใจของเราธรรมะให้ ก็พวกคุมมีศีลธรรมเป็นเครื่อง ตกคงต้องในเรื่อง บาปเพราะการไม่เหมือนกับลวงจาก ที่ปรากฏภายในจิตใจ แล้วก็มรรคที่จะก็ตามไม่ กับพระเกณฑ์ยะจิตใจเรื่อง Càm lăng phục vấn độc lộng canh d'hủ tí. Kháu bí Pucati. Chum d'hủ đuôi. a rôn อยู่หรือเป็นอารมณ์ที่ประจําหรือเสมอและนี่คือเป็นปกติของใจมา เชิญชมยินดีเป็นที่ยิน เย็นร้อนแข็งเป็นต้นซึ่งตามกฎของธรรมชาติคือตา ร่างกายประกอบด้วยอายตนะมีตาเป็น ก็ได้เป็นธรรมชาติของคู่กัน เมื่อตาวุจจบุบลิ้นกายกระทบสัมผัสกับได้ถูก คำว่าสัญญานี้ก็เป็นธรรมที่มี ไม่ได้ไกลนอกเหนือไปจาก เป็นที่ตั้งของความ ให้ปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตรงกันข้ามขึ้นหรือกำเริบเผย เป็นเครื่องกระทบจิตใจคือความ ไปสู่กิเลสคือความไม่ยินทั้งความยินดีทั้งความพอใจทั้งความอยากและความไม่ แต่เรื่องของกิเลสยังตามเจ้าบอก ความนวมความแล้วก็สึกหรือเปรียบเหมือน ซึ่งตัวเราอยู่ก็ไม่จัดว่าเป็นลาภ กิจกรรมในยึดถือหรือเที่ยวแสวงหาได้เพราะว่า ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นก็ เป็นปกติถ้าเราจะพูดถึงมีอยู่ เข้าใจว่าเป็นธรรมก็เป็น เป็นการเวลาต้องการเวลาต้องการสร้างและการคิดเกิด การสวดผลดลเท่านั้นเพื่อคนบาธรรมซึ่งเราจะได้มาเฉพาะกิจที่เราควรทําในการ มันต่างกันเพียงแก่พยัตนะ กรรมอารมณ์ทั้งถูกใจใน ให้จิตๆภายในต้องปล่อยวางความรู้ที่มีอยู่ในจิตใจของเรา ทั้งดีเลยชั่วดีและชั่วนั้นถูกและผิดซึ่ง ต่างเมื่อใจก็เราว่างแล้วเราจึงค่อยยกเหตุนั้นเมื่อ เรียกว่านั่งสมาธิบำเพ็ญสมาธิ เราก็ต้องว่าจิตใจของเรา ผู้มือของการปฏิบัติคือสติสัมปชัญญะ ก็มาดวงเดียวก็มาเป็นที่ จิตเล็กก็ดีวิญญาณน่ะถ้าหมายถึงจิตที่เป็นใหญ่ในสกลกาย เราขึ้นมาได้นั้นเป็นผู้รู้เห็น บำเพ็ญสมาธิโวตดาเราต้องอาศัยเจริญสัมปัฏฐะกรรมฐานได้ ดำเนินทำหน้าที่ของการปฏิบัติ ว่าการจะทําความดีโดยสําเร็จชั่วได้โดยสําเร็จไม่ว่าเราจะนี้ ขอมายะเพื่อมุ่งผลคือความสัมปิรัญญะความประสงค์ในทางที่ดีเข้าไป แห่งกายแห่งวาจาคือผล จากการเห็นความตื่นนั้นเห็นความตื่นซึ่งเป็น ระดับของปัญญาเกิดขึ้นไปในจิต แต่เป็นสิ่งที่จิตใจ เอ่อถึงประสงค์ให้พวกเราทั้งหลายอาศัยสติสัมปชัญญานีดำเนินคือมีการกระทำเพื่อจำลอง จึงที่ไม่ด้วยวิธีการต่างๆต้องคือสิไม่เป็น สมาธิเพื่อกําจัดอารมณ์ที่ทําให้ หรือยังจิตใจของพวก เพราะไม่รู้ความเป็นจริงทั้งหลายพากันงม เกิดแล้วเกิดจนถึงปัจจุบันและจะเป็นต่อไปทุกข์แล้วทุกข์เล่าอย่าง แต่ได้นั้นกิเลสทั้งมวลเป็นเหตุได้นั้นสําคัญ เป็นไปต่างๆนานาตามหมดปั่นอาการ แสงตลอดไปหมดไม่มี เป็นที่ปรากฏการของกิเลสแล้วมา ต่างอื่นทั้งทั้งใน 3 แดน อยู่ในที่ใดที่ตรงนั้นแหละเป็นฐานเครื่องลองรับใดที่ตรงนั้นแหละเป็นฐานเครื่อง ปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตใจ ยกเอากายขึ้นมาเป็นเอากาย คงไว้ใจนั่นแหละสามารถดลิดอยู่ ก็จะดับลงไปเองดับเพราะสติหลวงเดียว เป็นส่วนเป็นสัตว์เป็นสิ่งบอกกระจายให้เรา สิ่งที่มีอยู่คือสติและสัมปชัญญะนั้นให้รวด มันจึงจะสามารถรักษาสติ แต่ที่จิตของเรานั้นแล่นๆนานาเพราะไม่มีเครื่อง ไม่ได้เป็นตําหน้าที่พึงนันเกษมประเสริฐสุดมาเป็นที่พึงคือเราไปเอาสัญญารูป มันจริงเดือดไม่พบมันจริงคนพา อย่างค่อนข้างที่จะผิดปกติบางคนค่อนข้างที่จะ หาความเป็นปกติอย่างพวกเราไม่ได้ความเป็นปกติอย่างแต่ถ้าความจริงเราๆแล้ว ไอ้ดวงที่หมายเอาถึง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพียงอย่างเราจะ หรือกายได้แก่ลมหาย สภาพจิตจิตของเราผู้ปฏิบัติได้ สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบันมีคือปัญญาได้แก่ความรู้ไม่ว่าลม ไม่ว่าลมนั้นมันจะ ดังที่กล่าวมานี้มันก็ เมื่อเราเห็นความฉกกบปรากฏ เราสิ่งที่ผิดเราก็รู้ได้โดยธรรมชาสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดเราก็หลุดรอดมันก็เป็นของหลุด จิตของเรากําลังปิ่นไปดูดดื่มด่ําอยู่กับความ ตรงกันข้ามจะไม่รู้ในขณะ เพราะฉะนั้นท่านข้างหลังต้องการธรรมะและก็ ก็ให้เกิดศรัทธาผลังวิริยะผลังสติผลังสมาธิผลังเช่นเรา พิจารณาถึงกรรมที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนได้ค้นคิดเป็นความรู้ของเราเราใช้สติของเราเป็นเครื่อง แต่มันก็ไม่มีอะไรเราเลิกระลึกนึกถึงแล้วมัน ก็มันก็สามารถที่จะยังธรรมเช่นดังกล่าวนั้นมัน ได้เข้าไปร่วงรู้ถึงสภาพกิจเข้าไปร่วงรู้ได้ยินได้ฟังในศึกษาเราเรียนจิตไกล แล้วนำมาปินิจพิจารณาระลึกถึงเพียงๆนานๆเข้าสามารถทําในจิตของเรานั้น ได้ถูกระงับลงโดยลําพังของปัญญาซึ่งเรา ไม่ได้แยกเหลืออยู่ในสติเครื่องละลึกเลยออกจากกันสิ่งที่ เมื่อมันวางลงไปดับลงไปแล้วนั่นว่อนว่อนลงไป ไม่รอดของจิตจากไสยศาสตร์เครื่องเหล็กรู้ ภายในจิตใจที่เป็นอยู่ขณะ วิถีของวิชาอะไรก็ได้ทั้งนั้นนั่นแหละสภาพแห่งความ หรือจะมาหน่วงเดี๋ยวอรมัยใจหรือจะมา อย่างไรก็ต่างก็ตามความระงับละจะ เหลือแต่ดวงจิตดวงใจ ก็ 2 สว่างสรรณที่จะนําดวงจิตดวงใจ ให้เราผลปัญญาของเราอาวุธคือปัญญาของ มาเพียงเพ่งพิจารณาแต่เรา เราพิจารณาถึงสุขเห็นกายเป็นของสุขภาพปฏิกูลโสกะครั้งที่มาเป็นกายของเราครั้งที่ ตามอนาถหน้าที่ของกิเลสคือความรัก ลงสู่ทุกขังคนอยู่ไม่ได้ไตรลักษณ์สิ่งทั้งหมดล้วนเป็นแปดไม่มีอะไรเหลือ นอกจากจะยอมรับรู้เห็นตาม ที่พวกเราทั้งหลายดําเนินกันอยู่ในขณะนี้เพื่ออย่างนี้ไม่ใช่ เมื่อนั้นน่ะสิ่งทั้งหลายได้ท่านจึงอยู่เหนือจึงอยู่ โอกระชับสมบัติในโลกกาถานนี้เพราะ เกิดเป็นวันมามีแต่ความกระหาย มีครั้นย่ำยีบิชาจิตใจของพวกเรา ไม่มีที่พึ่งเงินใดที่เสวยวรร่มได้ชัดเจนชัดเจนเท่ากับ ต้องการธรรมะปิติพึงในฐานใจฉันขอ จากวันและการเพราะฉะนั้นนี้ก็คงจะ